ศาสนาพราจ็ดเจ็ดลำดับที่สิบสองโดยหลวงข้ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดภุดรธานีแสงธรรมในวันที่8กรกฎาคม2558มีชื่อเรื่องว่าให้มีน้ำใจกับผู้มาใหม่ วันนี้เป็นแ8ดหลายแปดแรมแปดค่ําเดือนแปดและก็วันที่แปดกรกดาคมพุทธศักราชสองพหรห้าสิบปดวันนี้พวกเราตอนเช้าก็ได้ทํากิจกรรมหลายอย่างพอตอนเย็นนี้ก็มีการไหว้พระสวดมนต์จบลงสักครู่นี้ ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโมรสัญญาคถาสิ่งที่ควรจะทราบควรที่ควรจะรูคร้ควรสิ่งที่จะรับรู้พวกเราที่อยู่ด้วยกันหลายชีวิตทางเป็นคณะตถาญาติโยมทางชาวบ้านที่มาเกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทางฝ่ายผู้มัติปัตธรรมทางฝ่ายอุบาสิกาทางฝ่ายพระด้วย พรกูการอยู่ด้วยกันมากมายหลายชีวิตก็จะต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันตั้งฝ่ายพระควรปฏิบัติอย่างไรตั้งฝ่ายศรัทธาญาติโยมแลว้วกาผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องผู้เตรียมตัวที่จะบวชก็มีในช่วงก่อนเทศกาลก่อนที่จะเข้าพรรษาปีนี้เพราะนั้นการอยู่ด้วยกัน มากมายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดฝ่ายพระก็ขอให้ดูดูแลซึ่งกันและกันเพราะมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ที่เข้ามาอยู่ก่อนที่หลวงพ่อก็ได้รับมาเขามาอยู่ก่อนก็ได้รับการอบรมด้การศึกษาในการเรียนรู้หลวงพ่อก็ประสิทธิ์ประสาทเรีย ว, ว่าแนะแนวความคิดให้กับ พูดที่เขามาอยู่ก่อนมากมาอยู่หลายปีแต่พวกน้องๆเขามาก็เรียงลำดับกันเข้ามาก็ผู้ใหญ่ที่มาอยู่ก่อนสิ่งไหนที่รู้ก็ต้องบอกแนะนำรุ่นน้องให้เข้าใจมีใชยว่าจะให้แต่หลวงพ่อเป็นองค์พูดคนเดียวจึงจะเข้าใจกัน ไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเรียนรู้ตามลำดับขั้นเป็นขั้นตอนจากนั้นก็ผู้เป็นนาคเข้ามากับลุ่นพี่ทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ก่อนมีประสบการณ์อย่างไรก็พยายามแนะนนแ น, แ น, แ น, แ น, แนวบอกกล่าวพวกนาคแะไรกพร้อมกันไปช่วยกันจัดดูแลบริขารของนาค ตลอดถึงพระเข้ามาจากต่างถิน่นท่านเข้ามาต่างถิน่นเป็นพระใหม่เข้ามาสู่วัดของเราเราเป็นเจ้าของของบ้านเจ้าของบ้านพวกรุ่นพี่ทั้งหลายต้องมีน้ำใจดูบริขารที่เอาเข้ามาเป็นยังไงบาทเป็นยังไงของใช้บริขารผ้าจีวอนเป็นยังไงเครื่องใช้เป็นยังไงอันนี้เป็นหน้าที่ของพระรุ่นพี่จะต้อง เป็นหูเป็นตาช่วยกันว่าพอมาถึงแล้วก็ดูสิบาทเป็นยังไงวันภูนี้บินทะบาทบาทจะไม่หลุดกลางบ้านหรอฝาบาทเป็นยังไงรุ่นพี่ต้องมีน้ำใจแต่พูดทางนี้ทางนั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังหนึ่งหลวงพ่อเองเอมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาอายุเพียง24่ีันอายุเพียง24ปีเพราะสี่พรรษา แล้วก็มาเอาพรรษาที่หอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเพราะนั้นหลวงพ่อเองสมัยนั้นก็มีพระฝรั่งกับพระไทยนี่ครึ่งต่อครึ่งเกือบจะว่ายอย่างนั้นเพราะฉนั้นพระไทยที่อยู่ที่นั่นก็มีแต่พระรุ่นพี่ๆหลวงพ่อเองเนี่ยเวลาเห็นพระต่างถิ่นมาเนี่ยหลวงพ่อจะต้องเข้าไปดูถ้าเป็นพระใหม่นะ ที่บวชเขามาเขาบวชมาจากวัดเอินจะจะมาอยู่กับองค์หลวงตาองเขาก็ส่งพ่อแม่เขาก็ส่งมามาฝากฝังหลวงตาจะให้ท่านไปดูได้อย่างไรเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่พวกลูกๆทั้งหลายอย่างเราเป็นพระลูกวัดเนีน่ก็เข้าไปดูมาถึงแล้วเออเป็นไงบริการท่านบิณฑบาตมาแล้วใช่ไหมกี่วันล่ะ เ, ออเขาพึ่งมาบวชใหม่ครับ มาดูสิบริขานบาดเป็นไงตีนบาดเป็นยังไงตลกบาดเป็นยังไงมัดแน่นไหมมันจะลุดในกลางหมู่บ้านไหมเนี่ยจากนัก้นก็ดูบริขานอีกมีลังตรุมไหมบางองค์กพ้าอังสากําลังรุมนุ่นอยู่ที่ประคตเอวยังไงเรามองดูแล้วเออไม่ได้ประคตเนี่เอาเอ า, เ, อาเข็มกัดมากัดไปก่อนเพื่อจะให้มันใช้ได้สะดวกต่อไปเดี๋ยวจะค่อยเย็บให้นะ เจงเหล่านี้เราได้ดูทั้งหมดเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความอบอบอุ่นของพระใหม่ที่เข้ามาเพื่อความอบอุ่นของพระใหม่ที่เข้ามาอยู่สู่วัดเราและเพื่อความสบายใจของพ่อของเราคือองค์หลวงตาไม่ใช่ว่าองค์ไหนกับลุ่มล่ามรลกุลงลัลงไปหมดพระเก่าก็เฉยเไม่ดูไม่แลก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น วันนั้นหลวงพ่อเคยมาแล้วจึงได้มาบอกกล่าวมาแนะนาให้พวกลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเคยปฏิบัติเหมืนนะั้นถูกไหมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังพวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีบางทีไปบินธบาในหมู่บ้านธโลกบาทก็จะหลุดฝาบาทก็จะหลุดพระใหม่เขาก็ อ, อายก็ยิ่งกว่าอะไรอีกแต่พระเก่าก็เฉยเยอีก มันรู้อย่างไรพวกท่านทั้งหลายได้คิดไ้ยสิ่งเหล่านี้นะถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ต่อไปไพ่าภาคหน้าและจะเป็นอย่างไงสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายได้คิดเอาไว้นี่แหละหลวงพ่อได้สอนความรอบคอบในการเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันพระน้อยพระพระใหม่พระเก่าแลวก็พร้อมกันในเมื่อเรามีน้าใจกับพระใหม่ ที่เขามาบวชเขาไม่ใช่จะหยุดอยู่เพียงแค่นั้นบางทีเป็นขรฐคการจะเป็นหัวหน้าสายการบินต่างประเทศก็มีเป็นอธิบดีก็มีเป็นระดับใหญ่ก็มีเขายังระลึกถึงวหลวงพี่อินของเขาฮะเขามากราบหลวงพี่อินของเขาเราก็ไม่กระโดกกระดักเพราะอะไรเพราะเราก็ได้ช่วยเขาจริงๆในสมัยเมื่อ เขาเข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาัดเราเป็นพี่เลี้ยงเขาเรามีน้ำใจสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกท่านทั้งหลายไม่ใช่ประจบประแจงนะคำว่าประจบประแจงเพื่อให้เขายอมทั้งหมดให้เขาขี่หัวพระเก่ายังไม่ใช่เราต้องเป็นพี่เลี้ยงเขาเป็นผู้แนะนำเขาประจบประแจงกับความให้ความเ อ, อื้อเฟื้อ อ, อืออารีเนี่ยมันต่างกันนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ อยากจะให้พระเก่าทั้งหลายมีน้ำใจดูออไม่ใช่จะดูแต่อัธธรฐผลิขานเท่านั้นดูการเป็นอยู่แนะนำเออเวลานั้นเดินวิบัติเวลานั้ น, ออ น, น, น, นปัดกวาดเวลานั้นออถ้ามีความข้องใจอยากจะถามปัญหาข้องใจเอาเข้าไปถามหลงพ่อได้เวลาเท่านั้นออแลว้วก็นี่หนังสือธรรมะออประวัติหลวงปู่มั่นเอาเอาไปอ่านนะ นี่ปฏิปทาหนังสือของหลวงตามหาบัวจดน้ำบนใบบัวประวัติของท่านเอาไปอ่านนะ เ, เมื่อโอกาสว่างเมื่อมีเวลาไม่ใช่จะอ่านหนังสือทีเดียวนี่แหละ เ, เนื้อ ร, รมเนื้อหาสาระในภาคปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้เนี่ยเล่มนี้นะเอาไปอ่านดูนะผมอ่านดูแล้วมีประโยชน์สิ่งเหล่านี้พระเก่า เราเข้ามาอยู่เก่าเรารู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็เฉยๆไม่ได้มีใครสนใจคนที่เข้ามาใหม่เลยก็กลุ่มอกกลุ่มใจอยู่แล้วเหมือนกับแยกวัวออกจากฝูงอย่างนั้นน่ะเขาเขาเคยอยู่ในฝูงนะแยกวัวออกมานะกินหญ้าก็ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมันคิดถึงหมูถึงถึงฝูงคิดการคิดถึงการเป็นอยู่ ในการเป็นอยู่ชีวิตในครอบครัวของเขาอ น, นี้เรามาแยกฝูงมาเราก็รู้ว่าความว้าเหวอ้างว้างจุดนั้นคืออะไรเราก็อ่านหนังสือให้อ่านศึกษาดูนะเนี่ยหนังสืออย่างนี้เสี่งเหล่านี้มันเป็นล้วนแล้วจะเป็นน้ำใจล้วนแล้วจะมีเมตตาล้วนแล้วแต่พวกเราที่เป็นพระเก่า จะว่าสืบทอดทายาทของพระพุทธศาสนาที่เข้ามาใหม่คือทายาทอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อเคยเล่าไหมลูกกี่ครั้งว่าเขาให้บวชเนนเด็กชายอินจะจะบวชไหมครับผมจะเข้าไปบวชครับจูครับวัดครับข้าวหารพอส่งเขาไปวันใหม่กับพี่น้องพ่อแม่ หาดติโกโหติกาก็เต็มไปหมดครับกระโดดโลดเต้นก็พอใจ <g ather ed> พอวันที่สองเขาไม่มาวัดเี <g ather ed> วันธรรมดาไม่ใช่วันพระเนี <g ather ed> ใจก็ง่อยเขามาแหละท่าเนี <g> ่ <ather ed> พอวันที่สองเท่านั้นกระโดดไ ป, <g ather ed> ไปกระโดดมาตามก้อนหินภูจา ก, ก่อนพอวันที่สามเท่านั้นแหละ <g ather ed> ร้องไห้โหเลยคิดถึงแม่เนี <g> ่ย <ather ed> อายุทั้งสิบเ็ดกว่าสิบเอ็ด ปีกว่าย่างเขาส2บสองปีเราจึงระลึกความว้าเหวอ้างว้างในช่วงนั้นมันเป็นลักษณะอย่างไรเรารู้แก่ใจของเราแต่พอหลวงปู่ล่าท่านแนะนำแล้วท่านเอานังสือธรรมะให้อ่านดูสินะอ่านอย่างเนี้ยศึกษาอย่างนี้ท่องอย่างน่นะ้จากนั้นก็มีเป็นเครื่องอยู่ของคนที่เข้ามาใหม่สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกท่านทั้งหลายช่วยกันคิดช่วยกันดูไม่ใช่ว่าเห็น เขาไม่รู้อะไรตะเคาะขู่ท่านั่นขู่ท่านนี้เอเหมือนหนักบุญหนักสัก์ใหญ่ที่เข้ามาอยู่ก่อนเอผลที่สุดนี่ะเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เข้ามาเขาเกียดขี้หน้ายิ่งกว่าอะไรท่านนี้เพราะแล้วไม่มีน้ำจ่ายผู้เสี่ยงเา่าเนี้เราบอกให้ถี่ท่วนนะเอพูดที่จะบอกอย่างหลวงพ่อเนี่ยไปหาเถอะไม่มีดอกอในประเทศไทยพูดอย่างนั้นได้ หลวงพ่อเนี่ยเคยผ่านยังไงมาประสบประการยังไงมาก็ถ่ายทอดให้พวกลูกๆกของหลวงพ่อให้ฉเฉลียวฉลาดให้รอบคอบในการวางตัวในการอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะคิดตรงพ่อสอนให้คิดนะแล้วก็ในพรรษาที่จะบวชหลวงพ่อก็เนี่ยพระเกา่า องค์ไหนที่จะเป็นผู้ไม่ใช่หลวงพ่อมอบให้องคใดองค์หนึ่งให้พวกทันทั้งหลายตั้งแต่งตั้งดูใครเป็นผู้สอนนาคนาคมากขนาดนี้เอาคนละสามคนแล้วคนละสามคนสามคนกี่กลุ่มเอาคนละสามก็ได้เดีมาสอนถึงเวลาแล้วก็เป็นสอนสอนที่ไหนสอนที่ศาลานี่ก็ได้สอนที่โรง ชาลาหอสันเก่าอะไรไปสอนที่ข้างนอกก็ได้เออยอยาให้มันใกล้กันเวลาการสอนนากเอ่ยพอสอนเสร็จแล้วก็จับมารวมกันเราจะทํำยังไงเหวิธีการการบวชให้เรียนรู้จะให้เก้เก๊กังกงเในการบวชนี่อันนี้ไงพวกท่านทั้งหลายเลือกการมาองค์ไหนที่จะสอนนากได้เห้พระทั้งวัดทั้งสี่สิบกว่าองค์นี่จะไม่มีเหรอเอ่ยแน่นอน พยายามดูสิ่งเหล่านี้จากนั้นอัดท บ, บริขารก็ให้ช่วยกันดูหลุงพ่อวให้ช่วยกันดูบริขารต้องทบริขารใหม่แต่บาทเก่าไม่เป็นไรแต่เอากระดาษจ่ายละเอียดละเอียดขัดก็ได้ข้างในให้มันขาวให้มันจะอาร์ตจากนั้นก็เ น, นี่ยแหละทำตลกให้ดีย้อมให้ดีให้เรียบร้อยเป็นบริขารสําหรับพระใหม่ เสียงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะล้วนแล้วจะเป็นน้ําใจล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหมดนะนะทาว่าเกิดมาพบนิชาตินี้ภาวนาไปยังไงมันก็ยังไม่พ้นทุกข์ยังไม่หมดกิเลสเออขึ้นไปสู่สวรรค์สั้นพรมไปพักอยู่ที่นู้นพอศาสนาภระีอริยะเมตไตรลงมาตรัส เราก็ลงมาพร้อมกับพระ อ, อ, องค์ท่านเลยมาเกิดแล้วนะ่ะจากนั้นพระศรีอริยะเมตไตรพอเข้าไปพวกเราเข้าไปขอบวชท่านก็เออนี่ดวงวิญญาณนี้ได้เคยช่วยอัฏฐบริขารเคยเคยทำบุญกับอัฏฐบริขารกับพระใหม่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะพอเข้าไปบวชพอได้สำเร็จมรรคผลท่านก็เรียกเอหิภ e ิกขุอุปสัมปทา ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวไว้ดีแล้วเล่าก็บริขารเราก็ลอยมาเป็นพระด้วยเอหิภิกขุนะแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายไม่เคยสนใจใ น, ในการ้า้จะบวชก็บช่างมันใครจะบวถ์จะให้ก็เฉยเพอเพยยังอิดช้าเขาอีกต่างหากไม่เคยจัดไม่เคยดูแลอัตตะบริขารให้กับใครเลยพอ ได้สำเร็จมักสำเร็จผลกับเหมือนท่านพระภาหิ่ะเนี่ยท่านภาวนาลูกเดียวท่านได้สำเร็จแอดภาวนาเออมุ่งมั่นในการภาวนาไม่ได้คิดเรื่องอัตถบริขารไม่ได้คิดว่าใครจะอยู่ยังไงกินยังไงใช้ยังไงท่านไม่ได้คิดมีแต่มุ่งมั่นแต่ตัวเองพอในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเพอได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอยู่ในถนนพระพุทธองค์ ยนอยูย่นในถนนกระเทศเอหิปิเอเทธรรมาเหตุตพภภวะเรื่องทั้งหลายเกิดจากเหตุท่านรู้ไหมเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากเหตุทั้งนั้นพระพา ย, ยะได้ยินเพียงสับนี้เท่านั้นแหะสําเร็จเป็นพระหรหันต์พอได้สําเร็จเป็นพระรหันต์พระพุทธองค์ก็มองดูเอ พ, พายยะนี่เขาเคยได้ทำได้บริจาคอัตรบริขารมาไหมเขาได้ขนขาย ช่วยบริขารของพระหมู่พวกเพื่อนไหมในอดีตแต่ชาติของเขาพระ อ, องค์มองดูแล้วไม่มีพาหิยะไม่เคยบวชมาในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตจปะพระพุทธเจ้ากัตจปะอายุยืนทั้งสองหมื่นปีเขาบำเพ็ญมีแต่พยายามแร่งภาวนาแล้วเขาไม่เคยคิดขนขวายเรื่องอัตถ บ, บริขารให้แก่องค์อื่นเลยเพราะในส่วนอันในสงนั้นไม่มี พอในสงนั้นไม่มีพระองค์ก็บอกว่าพายะเธอเสร็จสำเร็จกิจแล้วให้เธอไปสแสวงหาบริขารนก่อนนะในเมื่อได้บริขารครบแล้วยังค่อยบวชนะนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าถ้าว่าใครไม่มีอเนกสงในการช่วยขนขวายอัรถบริขารพระพธองค์ก็เรียกไม่ได้เหมือนกันเรียกได้ก็เพราะว่าท่านผู้นั้นได้ทา ทำบุญไว้ก่อนในอดีตชาติท่าน พ, พระพุทธพระพุทองค์จึงได้เรียกได้แต่พระพายยะเนี่ยท่านไม่เคยขนขวายช่วยอัดถบริขารช่วยบริขารให้พระทั้งที่ท่านอายุยืนทั้งสองหมื่นปีบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะแต่พอมาชาตินี้พอได้สําเร็จเป็นพระรหารแล้วนะพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าโคตมะมองดูอดีตชาติของเขาไม่มีบุญนะจุลุกแล้วไม่มีบุญเรื่องการทาน เรื่องทานะเรื่องการทานพระพุทธองค์ก็บอกเรียกไม่ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะเก่งทุกอย่างไม่ใช่แนละจะเสกขึ้นมาทุกอย่างต้องดูบุพกรรมของแต่ละแต่ละดวงวิญญาณด้ว ย, ยถึงท่านจะได้สาเร็จเป็นพระหรันฟังธรรมเทศนาะได้สาเร็จแต่ว่าท่านไม่มีปุนเรื่องอการทำบุญทำทานนี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงมันเป็น อุปนิสัยติดพบติดชาตนะพวกท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายถ้าใครเป็นโคโลโกโซนักเลงหัวไม้นักนถึงจะเป็นพระนิสัยไม่ดีต่อไปมันก็ไม่ดีติดพบติดชาติชาติหน้าเขไม่ดีอย่างเก่าเพราะนั้นเราเกิดมาในภพพระพุทธศาสนาภพธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าลสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราต้องตรวจตราดูอย่าทาอย่าคิด อย่าทำอย่าพูดที่สิ่งที่มันไม่ดีนั้นคิดทำพทูดแต่สิ่งที่ดีนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราเข้ามาเพื่อเพื่อฝึกหัดดัดนิสัยอของตนเองให้เป็นคนดีให้เป็นพระที่ดีเพราะนั้นสิ่งทั้ทงปวงที่หลวงพ่อได้ให้พวกเราเป็นแนวความคิดเนี่ยล้วนแล้วมามีหลักมีเกณฑ์มีหลัก มาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นประด็นขอให้พวกเราทุกท่านนะในพรรษาที่จะถึงนีนะ่พระใหม่ให้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำอะไรพวกคณะทาญาทโยมก็เหมือนกันในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะปรับปรุงแก้ไขไกายวาจาใจของเราอย่างไรทางว่าพวกเราวันคือเดือนปีผ่านไปผ่านไปมันก็ผ่านไปมันไม่มีประโยชน์อะไรผ่านไปแล้วมีแต่ได้แต่ความแก่ มีแต่ความแก่ได้เราได้ความแก่ต่อไปก็ได้ความเจ็บ เ, เจ็บหูเจ็บตาเจ็บปวดฟันเข้าไปแล้วเนี่ยจากนั้นก็ได้ความตายเรนก็ได้เพียงแค่นั้นนะส่วนอื่นเราได้อะไรคุณงามความดีเราได้สั่งสมบุญไว้ไหมได้เก็บหอมร้อมเรียบร้อยไหมไวไหมพอตายแล้วมันไม่สูนถ้าเรามันไม่สูนเราจะทำยังไงบุญกุศลของเราไม่ได้ติดจิตติดจิต จิตจิตติดใจไปเลยมีแต่ความชั่วติดใจของเราไปเราภูมิใจไหมอย่างนั้นถ้าความชั่วติดใจของเราไปมีแต่ไปตกนรกหมกไหมไปสู่ความหายยันะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉนันไปเป็นเ ป, นเปนตรตมีมากมายที่ความชั่วพาไปเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้เราศึกษาให้เราดูจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเรานั่นแหละฉะนั้นจิตใจของเราก็สูงส่งขึ้นเรื่อยๆพอเพราะได้ส่งเสริมแต่คุณงามความดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะในพรรษาที่จะถึงเดีอยว่าทุกวันนี่แหละตลอดไปและเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วอย่าสร้างปัญหาอย่าให้มีปัญหาเอ่อนักเฉนนักลงนักเลงเยเออนักลงนักเลง ที่กิริยามารยาทไม่ดีไม่ควรจะอยู่กับพระกรรมฐานเห็นสิ่งไหนที่มันดีนิสัยดีอ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควรสัมมาคารวะจากนั้นก็นะทํากิ จ, จวัดข้อวัดสั่งสมบุญบุารมีไปเรื่อยๆอถ้าว่าใครก็ตามพูดขึ้นมาที่มันไม่ถูกอย่าไปใส่ใจอย่าไปใส่มาใส่อกใส่ใจเราได้ยินเสียงนก หนูปูปีกมันร้องมันเห่ามีตั้งเยอะแยะไปเอถ้าเราถือมาใส่ใจของเรามันหนักเอย่าไปคิดอย่าให้มันหนักใจกับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องอแต่คนที่พูดก็เหมือนกันถ้าพูดเข้าไปสิ่งไหนก็ตามถ้าพูดเข้าไปแล้วหมูพวกเพื่อนพระตั้งยี่สิบสามสิบองค์จะไม่มีองค์ไหนบ้างเหรอเอว่าเก่าวตักเตือนที่มันผิดอย่างนั้น ถ้ารู้ขึ้นมาไม่กล้าพูดมาบอกเราบอกหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นหัวหน้าองค์ไหนไม่ดีเราก็จะต้องกาจัดออกให้ออกไปเพราะเหตุไรเพราะการคิดการทำการพูดไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมไหนสอนแล้วว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่ฟังก็ต้องออกไปก็เหมือนเราเตีนของเราเป็นโรคเมลงอย่างนี้ละ่ะ เรารักไหมรักตีนของเรารักรักตีนของเราเท้าของเราทำไมจะไม่รักเพราะเท้าของเราแต่มันเป็นมะเร็งทาไงก็ต้องตัดทิ้งทำไมทำไมจึงตัดทิง้งเพราะมันเป็นมะเร็งอันนี้ก็เหมือนกันพระในวัดของหลวงพอ่อหลวงพ่อเมตตารักเมตตาทุกองค์ที่เข้ามาอยู่กับวัดหลวงพอ่อแต่ถ้าว่าสอนแล้วบอกแล้วกล่าวแล้วแนะนำให้ฟังแล้วไม่ฟัง ดันทุลังไปในทางสิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละหลวงพ่อจะตำจำเป็นจะต้องตัดทิ้ง เ, เหตุไรเพราะสอนไม่ได้แล้วจะเก็บไว้ทำไมทำไปจะทําให้หมู่เพื่อนเสียหายอีกต่างหากเสียวัดวาศาสนาอีกต่างหากเสียพระพุทธศาสานาอีกต่างหากเสียวงการในต่างหากเสียพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าอีกตั้งหากพระพุทธเจ้าสอนอย่างไงแนะนำอย่างไงสอนอย่างไงสอนพวกเรา สอนให้เป็นพระที่ดีมีมารยาทเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าสากยสากยบุตรพุทธชินนรสเป็นรูปของพระพุทธเจ้าถ้าว่าอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยทางว่าไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะเป็นอวิอวัชชาตบุตรไม่ใช่บุตรของพระพุทธเจ้าอบุตรที่เลวเมื่อบุตรที่เลวแล้วจะ จะเก็บไว้ได้ยังไงในพุทธศาสนาเพราะเก็บไว้กันเนี่ยพี่น้องประชาชนทําบุญตักบาตรให้ฉันก็เสียข้าวเขาอีกเถอะเนี่ยมันเสียของเขาอีกเสียพพุทธศาสนายัางไม่แล้วอีกเอต่อไปกัอชาวบ้านเขาก็ตําหนิติชิ้นดินทาอีกอทําไมพระเปยังโนนพระเป็นอย่างนี่ไป็นยั ง, นนยงไง เ, เพราะเหตุอะไรเพราะพวกเราบวชเข้ามาแล้วไม่อยู่ในหลักพระธรรมวิ น, นัย สิ่งเหล่านี้นะหลวงพ่อเตือนไว้คะแนนะเตือนหนักเตือนหนักพวกเราจะบวชเข้ามาเนี่ยสรุปแล้วนะถ้าเราเป็นคนดีพระที่ดีเข้ามาบวชเพื่อการศึกษาเรียนรู้เนะี่ยเป็นพระที่ดีนะนะั่นแหะเป็นบุญเป็นกุศลติดพพติดชาติตระกูลของเราก็ได้รับบุญส่วนบุญส่วนกุศลจากเราที่เราเข้ามาบวชเสียสละเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะบอกทั้งหน้าบอกทั้งพระใหม่พระเก่า ทุกองนั่นแหละสรุปแล้วก็คือเป็นผู้มีจิตใจเป็นกุศลจิตใจที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมจึงจะอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขพร้อม ก, กันคนนันนะ้อย่าลืมถ้าใครก็ตามถ้าลืมว่าตัวเองจะไม่ตายนะคนนั้นแหละเรื่องขอเรื่องจุ่งเหยิงบุ่นวายแต่คิดว่าตัวเองจะตายอยู่แล้วนะอีกสักวันอย่างหลวงพ่อ หลวงพ่อคิดว่าตัวเองจะตาย อ, อที่ไหนไหนลวงพ่อก็คิดแต่ทำไมเป็นพระน้อยปานุมก็หลวงพ่อก็คิดว่าชีวิตของเราไม่ยึงยั่งยืนนะไม่รู้ว่าวันไหนเ อ, อบางทีนั่งรถไปดีๆรถส้นเปี้ยงก็ตา ย, ก, ตายก็ไม่รู้กี่คนตัวกี่คนเป็นตัวอย่างให้เห็นเรานอนหลับตายไปก็มีอยู่ที่ไหนตายก็มีคําว่าตายคํานี้มันของไม่เที่ยงแท้แนะ่นอนเพราะฉนั้นไม่รู้ว่าวันไหนแล้วเรา เพราะนั้นเราจะตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีอย่างไรก็ให้มีคุณงามความดีให้บุญกุศลอยู่ในจิตในใจของเรา เ, เรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งถ้าเราประกอบคุณงามความดีก็มีคุณค่ามีประโยชน์ถ้าเราทำความชั่วเสียหายไร้ค่าไร้ประโยชน์ถึงจะมีอายุยืนถึงหมื่นปีก็ ไ, ไม่ว่าต0 0รอยปีลก็มีแต่ทคุณมีแต่ทความชั่วได้มากมายมหาศาลกรรมชั่วนะันจะให้ผลขนาดไหนพราะ เกิดมายืนมิตรธรรมความชั่วเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราให้ประกอบคุณงามความดีนั่นแหละเลิศประเสริฐถึงจะมีอายุน้อยอายุมากก็ให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลถ้าเป็นพระกันนะให้อยู่ตามหลักธรรมคําสอนอยู่ในหลักธรรมวินัยของพระพทุทธา้ะถ้าเป็นครรภวาทยาโยมก็ให้มีทานมีศีลมีภาวนานี่แหละทางว่าเป็นพระกันเนี่ยนะ ให้ตั้อกตั้งใจรักษาศินให้เป็นผู้มีศินในเมื่อพวกเราเป็นผู้มีศินแล้วก็สมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะไรเพราะศินนี่เป็นรั้วกัน้นไม่ให้ทำไม่ให้ความชั่วเข้ามาสู่จิตใจของเราในเมื่อความชั่วไม่เข้ามาสู่จิตใจเรานั่งสมาธิจิตใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้ว ผ่านความสงบแล้วนาจิตใจที่ผ่านความสงบมาพิจารณาทางด้านปัญญาเดินวิปัสสนาก็เดินได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะใจของเราผ่านความสงบแล้วจิตใจของเราสงบนิ่งมาแล้วจากนั้นก็นำมาพิจารณาเรื่องอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลพิจารณาอาการ32ออย่างพวกเราสวดเมื่อกี้เนี่ยเกสาผมอยู่ในบนศีรษะ ถ้ามันอยู่นบนศีษะก็ตกแต่งก็สวยงามแต่มันหลุดออกมาจากผมจากศีรษะของเราไปตกในอาหารไปตกในถาดของใครก็ถเถอะเป็น อ, อาหารผมของใครมาตกในถาดอาหารของเราก็เถอะเห็นแล้วก็กินยากมานะันขยะขยะแข็ขขยแยงนะน ถ, ถ้าไม่หิวจริงๆเฮอยเผลอๆก็ยกเอาอ อ, อ, อ, อ, ออกใหม่ถ้าขนมาตกเหมือนกันเ อ, อตกในจานข้าวของเราเป็นยังไง เล็บหลุดออกมามาตกอยู่ในถาดข้าวของเราเป็นยังไงถ้าฟันหลุดออกมาแล้วเป็นยังไงอหนังของเราเน่าเปื่อยเป็นยังไงเนื้อเอ็นกระดูกของเราเป็นยังไงนี่ให้ช้าแหละออกมาเป็นอาจารย์ใหญ่ดูสิอถอนผมไว้กองหนึ่งถอนขนไว้ต่อนหนึ่งเล็บไว้กองหนึ่งฟัน หนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ามากองกองกองไว้แต่ละกองละกองเรียว่าอาการสามสิบสองสามสิองกองนะแลวเรานึกดูทไนะร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าว่าเราตายไปแล้วเขาผ่าศพของเราเขาแยกส่วนแบ่งส่วนเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่เป็นอย่างจริงแท้แน่นอนเลย แต่เราจะคิดเลยไม่คิดเท่านั้นถ้าเห็นคนอื่นใช่ของร่างกายคนอื่นแต่เราของเราจะเป็นมาอย่างไงเป็นอีกอย่างเก่าถ้าเขาชำแหละกายของเราเพราะนั้นร่างกายของเราเนี่ยดูแล้วอันไหนสวยอันไหนงามอันไหนน่ารักใครชอบใจอันไหนเป็นของจิรังถาวรนกายของเราเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นกายของเราเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะกายนะอีกสักวันหนึ่งนะ่นแะ พอล้มหายตายลงไปกระแตกลงสู่ดินน้ำลมไฟเผาไฟทิ้งเอาไปฝังทิ้งและดวงวิญญาณคือใจตัวผู้รู้เนี่ยจะอยู่อย่างไรเราได้คิดไว้ไหมจุดนี้นี่แหละอันนี้แหละคือวิปัจนาแหละท่าแยกพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราแยกส่วนแบ่งส่วนให้ดูกายและก็ดูใจกายน็คืออะไรที่ว่าผมผลลนและผนังใจนั่นคืออะไรคือตัวผู้รู้ที่ไปดูเขานะ่ย ที่ไปแยกเขาออกนะไปดูร่างกายนะเป็นของไม่เที่ยงนะั้นแหะคือใจนี่แหละหละักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่กายกับใจใจกับกายรูปประธรรมและนามธรรมในเมื่อพิจารณารูปประธรรมคือร่างกายจากนั้นให้ย้อนมาหานามธรรมคือตัวผู้รู้คือใจที่เป็นหลงร่างกายขนาดร่างกายว่าเป็นของเราใช่ไหมใจสวยงามใช่ไหมใจน่ารักใครชอบใจใช่ไหมใจอีกสักวันหนึ่งตายใช่ไหมใจ แก่ใช่ไหมใจร่างกายผุเป็นสู ด, ดินน้ําลมไปแตกสลายชู ด, ดินน้ําลมไฟจริงไหมใจในเมื่อหาเหตุผลมาหาใจใจก็ต้องเมื่อจิตผ่านใจของเราผ่านความสงบแล้วจิตใจของเราผ่านความเป็นหนึ่งแล้วมันจะชัดเจนเลยแต่ เ, เห็นได้ชัดใช่ร่างกายกับใจของเรามันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวคนหนะ เร่างกายแตกตายสรูสู่ดินน้ํำลมไฟแน่นอนขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังเป็นอเนจังทุกขังอนาตาจึงเป็นดินน้ําลมไฟยังเป็นอสุภปฏิกูลขนาดนี้และส่วนอื่นล่ะสามีภรรยาลูกหลานจ่าติโกโหติกาทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลเป็นของเราอย่างนั้นใช่ไหมใจขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นยังเป็นของเราใช่ไหมใจ อันนี้คือภาษาใจพือภาษาธรรมะสรุปแล้วคือไม่ไม่ให้เราหลงในการเป็นอยู่ให้รู้เท่ารู้ทันทุกอย่างแต่เมื่อพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางที่ใจแต่ภายนอกขึ้นมาเราก็ปฏิบัติตามอย่างที่เราเคยมีเคยเป็นยังไงปฏิบัติตามนั้นแต่ส่วนรึก ข, ของใจแล้วต้องปล่อยวางที่ใจนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าออท่านสอนอย่างนี้ ถ้าว่าพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าร่างกายของพระองค์เป็นอสุภะปฏิกูลพระองค์ก็เฉยซะพราะพุทธศาสานาคงจะไม่มีไม่ยืนยาวมาถึงขนาดนี้ในนี้พระองค์ก็รู้ว่าร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้นนแน่นอนเกิดแก่เจ็บตายเป็นอสุภะปฏิกูลุนชูดินน้าลงไปแต่พระองค์ก็รู้ปล่อยวางที่พระไทยใจของผมจนถึงได้ตรรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ จากนั้นท่านก็ได้วางภาษาสนาวางแผนภายนอกท่านก็ไม่ให้ขาดตกบกพ่องภายในของท่านท่านก็รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเพรา ะ, ะนั้นสิ่งเหล่านี้ะทั้งหลายทั้งปวงให้มองโลกให้มองทั้งโลกให้มองใจให้มองใจแล้วก็ให้มองสิ่งภายนอกด้วยตณะเมื่อเรามองทั้งสองทั้งสองฝ่ายมองทั้งรูปธรรมมองทั้งนามธรร ม, มเราก็รู้ว่าสถานะของนามธรรมคืออะไร สถานะของรูปธรรมนั้นคืออะไรถ้าเรารู้ในทั้งสองเงื่อนอย่างนี้แล้วการวางตัวของเราการทาใจของเราการรู้แจ้งเห็นจริงในใจของเราเราจะไม่สงสัยนะเนี่แหละวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราทุกๆท่านสรุปแล้วก็คือวางที่ไหนวางที่ใจมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ตัวผู้รู้กับตัวผู้รู้นั้นถ้ารู้จริงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมือนั่นะคือมรรคผลนิพพาน ถ้ายังโง่ยังอวิชชาอยู่ที่ใจของเราก็ยังเป็นพุถุชนอยู่ตราบนันนะถ้ารู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางที่ใจแล้วใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นนะใจตรงนั้นแหละคือพระลพระหันนะพระรหันไม่ได้หาที่ไหนหาอยู่ที่จอยู่ที่ใจของพวกเราทุกทุกท่านวันนี้ก็เดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พระท่านเปิดเอ็มพสามให้ฟังซักการหนึ่งอีกนะ เ, เพื่อ ได้ฟังดูอีกสักการหนึ่งแต่นีนวันหลวงพ่อพูดเรื่องแนวความคิดสดๆให้ฟังนะเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราต่อไปก็ให้ครูบาเปิดเอ3ให้ฟังและให้นั่งฟังนะให้นั่งภาวนากําหนดลมหายใจเวลานั่งฟังกันนะนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายปนมือขึ้นระหว่างอกก่อนก่อนอนั่งทุกครั้ง จากนั้นก็ไหวครูซะก่อนคือไหวพระพุทธไตรจาพระพธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆ พ, พุทโทธธรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆคือเรานั่งสมาธิไม่ใช่เราคิดได้คิดเอาไม่ใช่หลวงพอ่ออินแนะนําเป็นการแนะนําจากพระพุทธไตรจาพระพุทธเจ้าให้นั่งสมาธิอย่างนี้จากนั้นเมื่อเราจะนั่งเราก็ต้องระลึกถึงไหวครูซะก่อนคือพระพุทธไตรจาพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นเนล้ำลึกถึงพระ ประคุณของท่านแล้วเอามือลงอกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมถั่วทำจิตใจให้สงบให้เน่งซะก่อนเมื่อจิตใจของเราสงบเน่งแล้วนะเมื่อเราจะนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะเหตุไรเพราะจิตใจของเราผ่านความสงบแต่ถ้าว่าจิตใจของเราไม่สงบกําหนดลมหายใจเขายัางหลงหลงลืมลืมหลงมาหล ง, ลงยังไงหลงพอ่อ ให้กำหนดลมหายจะเวลาทกำหนดลมหายใจเข้ามันหลงมันหลงไปไหนะให้นับนะหลวงพ่อบอกว่าให้นับจะรู้ได้เลยนะเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสามสี่ห้าหก็หกดปดเก้าสิบถึงร้อยไม่เผลอนะแสดงว่าเราเก่งแล้วนะโดยมากมันไม่ไม่เป็นไม่ถึงขนาดนะั้นนะพอนับไปนับานบนะเบอร์แล้วก็หลุดเบอร์แล้วก็หลุดนะมันหลุดยังไง หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามให้ใจออกสี่สรุปแล้วก็ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยแต่แต่พอมันจะเบิร์นมันจะเวลาหายใจเข้ามันจะคู่ได้คู่ขี้คู่ขี้ท่านไปเลยไม่ใช่ขี้คู่นะให้สังเกตบังนะนี่แหละวิธีการอยากจะรู้ว่าใจของเราเป็นสมาธิจิตใจของเราอยู่กับตัวจิตใจของเราเป็น ในสมาธิมากน้อยแค่ไหนนะไม่ต้องถามใครอื่นหรอกถ้าคนอื่นบอกเขามาเดี๋ยวเขาโมโหให้เขาตัวเองถามตัวเองกำหนดตัวเอ ง, เองรู้ได้โดยตนเองอีกต่างหากเมื่อจิตใจของเรานับถึงร้อยไม่เผอนับเท่าไรก็ไม่เผอนับอะไรก็ไม่เผอนัออ่นแะหละสติของเราดีแล้วเมื่อสติของเราดีแล้วจะไม่ต้องนับก็ได้เพะนะื่อนหายใจเข้าพุทธใหใจออกโทพุทโทพุทโทพุทธอทจิตใจจะเน่งเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจสงบแล้วกันนะ่ะ นำมาพิจารณาทางวิปัสสนาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงในใจของพวกเราต่อนนี้ไปนั่งสมาธิในที่นี้เอาเปิดเทปได้เอ็มพสามได้